จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบาิศัทด์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวันธรรมสวัสดิวันฟังธรรมเป็นวัน ทีญาตโยงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกหรืออบาย มีจริงผลของบุญคือสวรรค์หรือสุคติมีจริงตายแล้วยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้ายัางไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> เพราะผู้ที่ไปรับผลของบุญของบาไปเกิดใหม่ก็คือใจ ที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้เองใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนเป็นคนละคนเป็นพี่เป็นน้องใจเป็นนายกายเป็นบบาวกายเป็นวัตถุเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตายไปแล้วก็จะสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ใจเป็นธาตุรู้เป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับธาตุสีคือดินน้ำลมไฟใจก็จะต้องไปรับผลของบุญของบาปต่อไปถ้าใจยังไม่ได้รับการชำระจงสะอาดบริสุทธิ์ถ้าใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไป นี่กูใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ส่วนใจของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เต็มรอ้อยยังต้องไปเกิดใหม่ถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะต้องไปเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็ต้องไปเกิดอีกชาติหนึ่งในกามภพบคือพบของมนุษย์ส่วนถ้าได้เป็นพระอนาคามีก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสุดทธาว่าเพราะว่าใจของท่านยังไม่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุดเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้า และพระอรหาาันตสาวกเ <ium> mm. มือ่อยังต้องไปเกิดก็ไปเกิดตามอำนาจของบุญของบาป <im> แต่เนื่องจากเป็นพะ ร, ระอริยเจ้านี้ท่านมีบุญมากพอที่จะป้องกันหรือห้ามไม่ให้ใจไปรับใช้ผลบาปในอบายได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ ถ้ากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานจะไม่ต้องไปตกนรกใช้เวรใช้กรรมเนื่องจากท่านมีบุญคือมีดวงตาเห็นธรรมเป็นเหมือนคนที่เดินถ้ามีมีตาเดินไปก็จะเห็นทางจะเห็นเห็นหลุมเห็นบอ่อเห็นต้นไม้เห็นสิ่งติดขวาง ถ้าคนตาบอดก็จะไม่เห็นหลุมเห็นบ่อเห็นต้นเห็นสิ่งเิดขวางต่างๆเดินไปก็มักจะต้องไปตกหลุมตกบ่อแล้วเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันใดพระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนคนตาดีมองเห็นสิ่งต่างๆเห็นหลุมเห็นบ่อเห็นสิ่งกิดขวาง เวลาท่านเดินท่านก็สามารถที่จะหลบหลุมหลบสิ่งกีดขวางต่างๆได้แต่คนตาบอดคือปุทุชนอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นนรกยังไม่เห็นสวรรค์ยังไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงมักจะเดินเข้าไปหานรกกันมักจะไปเดินหาการเวียนว่ายตายเกิดกัน ไปสร้างบาปสร้างกรรมกันเรายังจำต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทั้งในภพน้อยและภพใหญ่ขึ้นอยู่กับวาระของบุญหรือบาปที่จะส่งผลถ้าเป็นเวลาของบาปที่จะส่งผลหรือบาปมีกําลังมากกว่าบุญเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายในภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปร ไปตกนรกแต่ถ้าเป็นวาระของบุญคือบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะไปเกิดในสุคติไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับกำลังของบุญถ้าทำบุญให้ทารักษาะศีลก็จะไปเกิดชั้นเทพทต่างๆถ้าได้ภาวนานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบก็จะ ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนี่คือเรื่องของการเมียนว่ า, าตายเกิดสำหรับพวกเราที่ยังไม่เห็นพวกเราก็จะต้องเสี่ยงกับการไปเกิดพวบภู่ต่างๆเพราะบางเวลาเราก็จะเดินไปตกหนุมตกบ่อกันเช่นไปทำบาป ท, ทำกรรมกันไปเสพอบายมุกต่างๆเช่นเสพสุรายาเมา เที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นเม็ดรประพฤติผิดโอเวณีก็จะทำให้ต้องไปเกิดในอบายต่อไปแต่บางเวลาถ้ามาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพชั้นพรหมและได้บรรลุเป็นพระ อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาประกาศสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกได้รู้หรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็ยังเป็นกฎตายตัวอยู่ใครทำบาป ก, ก็ต้องไปใช้บาปใช้ รับผลของบาปใครทําบุญก็จะต้องไปรับผลของบุญใครชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปรับผลของบาปของบุญอีกต่อไปควาหมายของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ก่อนที่จะสามารถชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องทําบุญก่อนต้องรับ ต้องละบาปก่อนแล้วถึงจะค่อยชำระใจได้ถ้ายังทาบุญทำบาปอยู่ไปชร ะ, ะไปชำระเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีเหมือนกับบ้านถ้าเราต้องการให้บ้านเราสะอาดเราก็ต้องหยุดการกระทำที่ให้มันสกรปรกแล้วเราก็คอยเช็ดคอยกวาดคอยเก็บอยู่เรื่อยเเนื่องจากธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั้นจะต้อง มีการเบืเปื้อนอยู่เรื่อยๆจะมีฝนตกลงมาคุมสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆถึงแม้เราไม่ได้ทำอะไรให้สกปศกเลยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถ้ากวาบ้านก็จะก็จะมีฝุ่นต่างๆให้กวาดฉั้นใดใจของเราก็เช่นเดียวกันนอกจากการทำบุญล้าบาปแล้ว เรายัางต้องชำระอยู่เรื่อยๆทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมนี่เป็นงานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพึงปฏิ ที่จะพึงปฏิบัติกันเพราะว่าสิ่งที่ปรารถนากันนี้ไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย mm hmm. เช่นเวลาที่เรากราบพระจุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราขอเพราะเหตุที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราขอ อยู่ที่การกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าอยากจะให้ชีวิตจิตใจมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขก็ต้องสร้างเหตุที่ดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีถ้าไม่อยากจะให้ชีวิตจิตใจตกตำ่ำก็จะต้องไม่คิด บาไม่พูดบาไม่ทำบาปดังที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้วันนี้ญาติโยมได้มาสมาทานศีลห้าตอนต้นก็คิดก่อนว่าวันนี้จะไม่ทาบาปแล้วก็มาสมาทานศีลห้ากันนี่คือการคิดไม่ทำบาปคิดว่าวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดกไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทำบาหลนี้มีผลที่จะทำให้เราต้องไปรับต่อไปคือต้องไปรับความทุกข์ความเสื่อมเสียไปเกิดในอบายในภพของอบายต่างๆแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปรับผล ของเบาเหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วถ้าเราไม่ไปทำผิดกฎหมายไม่ขับรถเร็วเกินไปไม่ฝ่าไฟแดงเราก็จะไม่ถูกตารวจเขาจับไปปรับแต่ถ้าเราฝ่าฝืนกฎจราจรเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเขาก็จะจับเราไปปรับหรือจับไปลงโทษได้ แต่เรื่องของบาปนี้ไม่มีตำรวจมาคอยตามจับเพราะไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจบาปนี้จะมีพลังที่จะส่งให้ผู้ทำบาปนี้ไปรับผลบาปโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาคอยจับคอยเฝ้าดูการที่เราจะไม่ทำบาหรือการที่จะมีสีนี้ ก็สา ม, มารถเกิดขึ้นได้สามลักษณะด้วยกันอย่างวันนี้ญาติโยมมาสมาทานศีลห้าต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดการมีศีลขึ้นมาคือการสมาทานศีลคือเรามีความตั้งใจเราก็ประกาศ บ, บอกกับพระสงฆ์ว่า วันนี้จะขอรักษาสีนทั้งห้าข้อขอให้ท่านช่วยบอกด้วยว่าสินทั้งห้าข้อนี้มีอะไรเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วการขอสินนี้ไม่ได้หมายความว่าจะขอแบ่งสินของพระไปสีลนี้แบ่งให้กันไม่ได้ไม่เหมือนเข้าของเงินทองที่พอจะแบ่งให้กันได้แต่สีนนี้ต้องเป็นของใครของมัน ต้องสร้างขึ้นมาเองต้องรักษาขึ้นมาเช่นวันนี้ได้สมาทานสีลห้าแล้วถ้ารักษาไปก็จะมีสีลปรากฏขึ้นมาจะไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปกไม่เสพสรารยาเมานี่คือวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้มีสีลขึ้นมาวิธีที่สองก็คือ ในกรณีที่เราไม่สามารถมาวัดในวันพระหรือวันอื่นได้เราก็ยังสามารถมีศีลได้ศีลชนิดนี้เรียกว่าศีลวิราชคำว่าวิราชก็คือละเว้นนั่นเองด้วยการตั้งจิตตั้งใจของเราเองไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะเราหาพระไม่ได้ หรือถ้าเราไปวัดที่เขาไม่มีการสมาทานศีลในวันนอกจากวันพระเราก็ยังสามารถที่จะรักษาศีลได้ด้วยการวิรัติการวิรัต์ก็คือความตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปจะกำหนดวันเวลาไว้ก็ได้เช่นจะกำหนดว่าวันนี้เป็นวันพระแต่ไม่ได้มาวัดแต่อยากจะรักษาศีล ก็จะสามารถรักษาได้ด้วยการวิรัต์ก็คือด้วยการตั้งใจว่าตั้งจิตอธิษฐานไปภายในใจว่าวันนี้จะละเว้นจากการประพฤติผิดศีลทั้งห้าข้อแล้วก็ให้มีสติคอยดูแลการกระทาทางกายทางวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างนี้ก็จะ มีศีลขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการสมาทานศีลส่วนในีวิธีหนึ่งก็คือการมีศีลโดยเป็นปกติคือใจไม่คิดที่จะทำบาป ก, กับใครไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่เป็นศีลของพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมีดวงตาเห็นธรรม จนทำให้ท่านมีฮิริโอตปะคือมีความอายมีความกลัวในการกระทำบาปเพราะท่านเห็นว่าทำบาปแล้วจะต้องไปรับผลของบาปจะต้องไปรับความทุกข์ความเสื่อมจะต้องไปเกิดในอบายนี่คือพระ อ, อริยเจ้าท่านเป็นเหมือนคนที่ลืมตาขึ้นมาแล้ว ส่วนพวกเรานี่ยังเป็นเหมือนคนที่ยังหลบตาอยู่ยังมองไม่เห็นผลของบาปยังมองไม่เห็นผลของบุญเราจึงยังไม่กลัวบาปกันยังกล้าที่จะทำบาปถ้าเกิดมีอารมณ์ว่าหุ่นขุ่นบัวขึ้นมาถ้าอยากจะได้อะไรมากๆถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุจริตก็จะกล้าทำบาป ถ้าโกรธมากมากถ้าหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปโกรธหรือให้อภัยแก่ผู้อื่นได้ก็จะไปทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าไม่เห็นผลของบาป ท, ที่จะตามมานั่นเองแต่สำหรับพระอาริยบุคคลทุกๆระดับนี้ท่านเห็นอยู่ตลอดเวลาเรื่องของผลบาปและผลบุญ ท่านยึงไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนี่คือศิลปกติที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจของเราให้สะอาดจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราก็จะมีสิลเป็นปกติคือไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปวิรัต เพราะเราจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะทำไม่ได้เวลาทำบาปแล้วจิตใจจะร้อนจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศรีรษะของตนเองสำหรับพระอริยะเจ้าจะเป็นอย่างนั้นการกระทำบาปนี้เหมือนกับการเอาค้อนมาทุบศรีรษะของตนเองท่านจึงทำไม่ได้แต่พวกเรานี้เป็นศรีรษะที่มีหนังหนา หนังหนามากตีเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จึยังไม่รู้สึกเจ็บจึงกล้าเคาะศีรษะของเราอยู่มาเรื่อยๆนี่คือความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและภพชาติของท่านก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับเพราะท่านจะ ทำการชำระจิตใจอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าถึงขั้นพระอริยะขั้นที่หนึ่งแล้วการชำระจิตใจนี้จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วได้รับเงินเดือนพอได้รับเงินเดือนแล้วการไปทำงานนี้ก็จะไปอย่างอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาตามเพรรู้ว่าถ้าไปทำงานก็จะได้รับเงินเดือน ถ้าไม่ไปทำงานก็จะไม่ได้เงินเดือนนี่คือพระอริยเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านเห็นแล้วว่าการชำระจิตใจนี้ทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นทำให้ภพชาตินั้นมีน้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะสามารถไม่มีภพชาติอีกต่อไปได้ ยังนั้นพวกเราจึงควรที่จะพยายามปฏิบัติกันให้มากๆด้วยความศรัทธาความเชื่อในบุญในบาปในการชำระจิตใจว่าเป็นทางสู่ความสุขและความเจริญไปทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีทางนี้ทางเดียวเท่นั้นไม่มีทางอื่นเราจึงต้องมีความภาคเพียรอย่างมาก ภาคเพียรที่จะทําบุญที่เรายังไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นมาภาคเพียรรักษาบุญที่เราได้ทําแล้วไม่ให้หายไปเช่นถ้าเราเคยมาวัดอยู่ทุกวันพระเราก็ต้องมาอยู่ทุกวันพระถ้าเราอยากจะได้บุญเพิ่มมากขึ้นเราก็มานอกจากวันพระแล้วเราก็มาวันอื่นต่อเอง ทำให้มากจนบางท่านนี้มาวัดได้ทั้งเจ็ดวันเลยที่วัด น, นี้จะมีญาติโยมอยู่ที่จะมาวัดส่บาทเป็นประจำทุกวันถ้าจะไม่ได้มาก็ยกมีภารกิจจำเป็นหรือไม่สบายเท่านั้นแล้วก็เขาก็จะรักษาการกระทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะขยับขึ้นไป ทำบุญที่สูงกว่านั้นต่อไปทำมากขึ้นทำบ่อยขึ้นทำจนกระทั่งไม่มีเงินที่จะทำนั่นหละถึงจะเรียกว่าบทภาระในการเลื่อมทำบุญแล้วถ้ายังมีเงินเหลือใช้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้อย่าเอาไปใช้กับการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปซื้อความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟัง ไปดื่มไปรับประทานขอให้เราใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับจิตใจด้วยการเอามาทำบุญสมเคราะห์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันสมเคราะห์โรคสมเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์เดือดร้อนเช่นในตอนนี้ผู้ที่มีความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นต้นถ้าเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ควรจะช่วยเหลือกัน เพราะเป็นการภาคเพียนในการทำบุญที่มีอยู่แล้วให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รักษาบุญที่มีไว้ไม่ให้ถดที่ได้ทำไว้ไม่ให้ถดถอยลงไปนอกจากนั้นท่านก็สอนให้เราภาคเพียนในการละบาปก็คือให้เรารักษาศีลกันตอนต้นเราก็จะรักษาศีลกันอาทิตย์ละครั้งเช่นในวันพระ ต่อไปเราก็ต้องพยายามรักษาให้ได้ทุกวันนี่คือการภาคเพียนการละบาปคือจ ะ, จะรักษาการละบาบไว้ไว้ไม่ให้มีน้อยลงไปแล้วก็จะพยายามรักษาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเดียวกับการเพียรในการชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธ เราก็ต้องเพียรพยายามทํากันให้ได้การชาระใจให้สะอาดบดยส่วนนี้เราเรียกว่าการภาวนาจิตตภาวนาจิตจะต้องได้มีการชําระด้วยการภาวนาคือนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถ ภ, ภาวนาและการพิจารณาตายรักณ์ คืออันิจรจะทุกขังอนิจตาพิจารณาอาริยสัจสี่เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาเพราะการภาวนาทั้งสองอย่างนี้จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้การทำสมาธิหรือทำสมถะภาวนาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงทำให้สะอาดได้ชั่วคราว เช่นขณะที่นั่งสมาธิแล้วจิตสงบตอนนั้นความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวลงไปตอนนั้นใจก็จะสะอาดเหมือนกับน้ำที่ตกตะกอนแต่พอจิตออกมาจากสมาธิมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาเหมือนกับน้ำที่ตกตะกอน พอเริ่มตักน้ำขึ้นมาใช้เดี๋ยวตะกรนที่อยู่ใต้ตุ่มก็จะขุนก็จะลอยขึ้นมาปนกับน้ำอีกการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำส ม, สมะถภาวนาหรือสมาธิานี้ยังไม่พอต้องทำขั้นต่อไปก็คือต้องแยกตะกรนออกจากน้ำเช่นสมมุติถ้าเราแกว่งสารส้ม ทำให้น้ำใสสะอาดแล้วตะกอนนั้นตกลงไปอยู่ใต้ตุ่มท่านต่อไปเราก็ต้องแยกตะกอนออกจากน้ำด้วยการตักน้ำที่สะอาดเอาไปไว้ในอีกตุ่มหนึ่งแล้วปล่อยให้ตะกอนนี้อยู่ในอีกตุ่มหนึ่งเราก็จะได้น้ำสะอาดใช้ไม่มีตะกอนไม่มีสิ่งปฏิกูลฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่จิตสงบกิเลสเขาก็ ไม่ทำงานความโลภความโกรธความหลงไม่ทำงานพอออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาคอยสกัดเดี๋ยวก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเวลาได้ยินอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาได้ยินอะไรที่ถูกใจก็จะเกิดความโลภขึ้นมาอยากจะได้ยินเสียงอย่างนั้นอยู่บ่อยๆ แต่พอเสียงที่เราชอบหายไปเราก็จะเกิดความเสียดายเกิดความเสียใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องคอยสอนใจอย่าให้เป็นหลงกับเสียงกับสิ่งต่างๆที่มามาให้สัมผัสรับ ร, บรู้เพราะว่าเขาไม่เที่ยงนั่นเองเขามาแล้วก็หายไปใครพูดอะไรพูดเสร็จแล้วมันก็หายไป พูดดีก็หายไปพูดไม่ดีก็หายไปถ้าเราฟังเฉยๆไม่ไปเกิดอารมณ์ไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปชอบไม่ไปชังเราก็จะไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเพราะเราไม่หลงนั่นเองการที่ไม่หลงได้เราต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไป บางอย่างนี่มาเร็วไปเร็วเช่นเสียงนี้พอพูดเสร็จก็หายไปเลยรูปก็เหมือนกันรูปมองปั๊บเดี๋ยวถ้าเราหันหน้าไปอีกที่หนึ่งรูปที่เราเห็นนั่นก็หายไปแล้วไปเห็นรูปใหม่ขึ้นมาแล้วกลิ่นก็เช่นเดียวกันกลิ่นพอเข้ามาสัมผัสปั๊บเดี๋ยวก็หายไปแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายนี้ท่านสอนให้เราพิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่ใช่ของเรา เราอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจะทำให้จิตใจเราเกิดอาการว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาไม่สงบเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจให้รับรู้เฉยๆไม่ให้ไปมีปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ให้ไปยินดียินร้ายไม่ให้ไปรักไปชังก็จะไม่เกิดความโลภเกิดความโกรธ ใครจะชมก็ไม่ดีใจใครจะด่าก็ไม่เสียใจเพราะฟังที่เสียงฟังอย่างเดียวว่ามันเป็นเสียงเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเขาด่าเสร็จเขาก็หายไปแล้วเสียงด่าก็หายไปแล้วแต่ถ้าเรามีความหลงเราก็จะเอาเสียงที่เขาด่านั้นมาคิดอยู่เรื่อยๆบางทีเขาด่าตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังจาเสียงที่เขาด่าได้ เวลาฟังทีไรก็เกิดอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาทุกทีแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาเราจะสามารถหยุดใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเสียงที่เขาพูดนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงดีหรือไม่ดีเพราะเรามีกําลังที่จะปล่อยวางได้นี่คือเรื่องของปัญญาเราต้องมีปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยวาง แล้วเราอาศัยกําลังของสมาธินี่ปล่อยถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะยึดติดแต่เราก็จะห้ามใจไปยึดติดไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาเราถึงจะสามารถชําระใจของเราให้สะอาดได้ถ้ามีสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมา ใจของเราก็จะมีปัญญาคอยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปรักอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงเพราะว่าความรักความห่วงความห่วงนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะจะอยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอไม่ได้อยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่าย กวนกายเป็นความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งที่เราสามารถกำจัดได้หมดถ้าเราเจริญปัญญาพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของชั่วข้าวไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเช่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ตายไปเผาไปก็จะเหลือเป็นขี้เถ้าไปเหลือเป็นเศษกระดูกทิ้งไปต่อไปเศษกระดูกก็จะผุจะเปื่อยกลายเป็นดินไปให้พิจารณาอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรากยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือร่างกายของใครก็ตามของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีของคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีเป็นเหมือนกันหมด ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วใจของเราจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆจะไม่ยึดไม่ติดจะมาหรือจะไปก็ไม่ดีใจไม่เสียใจอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของเราบริสุทธิ์สะอาดใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์จะหลุดพ้นจากความทุกข์และจะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คืองานที่พระเจ้าส่งมอบให้พวกเราทำกัน เพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อสร้างความสุขที่ถาวรให้แก่จิตใจของเราด้วยการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ขอให้พยานภาคเพียรทำต่อไปทำให้มากขึ้นทำให้ได้เต็มที่แล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลของพวกเราต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศีัตนใจและมูลกุศลที่ท่านได้มาบัรเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ